น้อมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรยขอโอกาสพระอาจารย์เบศารพระเทลานุเทระและเพื่อนสระทำใม้ทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านในปีนี้ก็ถือเป็นปีพุทธชัยนตีนะ 2,600 ปีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุเนี่ก็เป็นปีที่สำคัญนะครั้งนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นนะ บางทีเราอาจจะเคยศึกษามาพบว่าผู้ที่ได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านั้นสามารถบรรลุธรรมเป็นพระริยาเจ้ากันได้มากมายนะทำไมจึงเป็นแบบนั้นแล้วทำอะไรที่ทำให้แสดงแล้วเนี่ยผู้ที่ฟังแล้วสามารถที่จะบรรลุธรรมกันได้อย่างมากมายนะอันนี้ก็เริ่มจากที่พยาสก่อนนะพยาสะกุรบุตรเนี่ย ก็เป็นบุตรชายของเศรษฐีใหญ่นะมีปร า, าสาทอยู่ด้วยนะมีกนลับใช้มีความสุขสบายมากมายนะตื่นขึ้นมาในคืนวันหนึ่งนะก็เห็นคนใชนะ้นอนกันเกือนกาดนะบางคนก็น้ำลายไหลเห็นแล้วก็เป็นที่น่าสังเวชใจนะก็เลยเดินออกมาจากในปร า, าสาทนั้นนะนะแล้วก็บนมาด้วยว่าที่นี่ขัดข้องหนอ ที่นี้วุ่นวายเนาะเดินไปเรื่อยๆจนถึงปลายสิปัตนาะเมลึกขัยวัตขนาดนั้นพระเจ้าก็ทรงเดินจงกรมอยู่แล้วก็บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องพยาศาสตร์ได้ยินเช่นนั้นก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยทรงสแสดงอนุปพิกถารพร้อมด้วยอริยสัจสี่ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะ ครันนี้พระตื่นมาในตอนเช้านะบิดามารดาของพระยาศานี่ก็รู้ว่าลูกตัวเองหายไปนะก็ตามหาไปนี่ที่ต่างๆครั้นี้บิดาก็เดินตามหามาจนถึงไปสิ่ปนนะเมลกทายวันน ะ, ะ ก, นะก็มาพบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังนะก็คืออนุ ป, ปุพพิถานะและอริยสัจสีก็ปรนลกเป็นพระอริยเจ้าเหมือนกันนะ ขณะที่แสดงนั้นพยสัสสะก็ฟังไปด้วยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะพอหลังจากที่เศรษฐีบรรลุเป็นพระเลขาเจ้าแล้วเนี่ยก็เห็นอพยสัสะก็เลยชวนกลับบ้านพระเจ้าบอกว่าพยศสสะกลับไม่ได้แล้วนะเพราะว่าขณะนี้นะไม่อาจที่จะไปคงเกี่ยวในทางโลกในทางการเช่นนั้นได้แล้วเพราะว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้ว เศรษฐีได้ยินอยงนั้นก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าและพะยาศาสเนี่ยไปชันพระทหารในวันรุ่งขึ้นคั่นพระวันรุ่งขึ้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าและพระยาศาสเนี่ยก็ไปที่เรือนของเศรษฐีนะก็ได้แสดงธรรมอนุปพิกถานะแล้วก็อริยสัจสีให้แก่อแม่ออืแล้วก็อดีตภรรยาของพยาศาสฟังก็บรรลุเป็นพระอริยเจ้าอีกนะแล้วก็แสดงตนไปบาสิกา ถึงพระรัตนตรัยนะก็เป็นอุบาสิกาคู่แรกนะของของพระพุทธศาสนาเลยนะหลังจากนั้นสหายของพญาสาก็สี่คนนะที่อยู่ในเมืองก็เข้ามาหาพยาสนะพย า, าก็พาไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงนกุกปุพิกถาและอริยสัจิก็บรรลุเป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดนะหลังจากนั้นก็มีนะสหายในชุดบทของพญาสากอีกาสิบคนนะก็เข้ามาหาพยาสาะ พยาศาก็พาไปพบพระเจ้าก็ทรงแสดงนุปุปภิกถาและเลียศาสตร์ก็บรรลุเป็นพระเลียเจ้าทั้งหมดเลยแล้วตอนหลังก็บรรลุเป็นพระลรหันทั้งหมดก็รวมเป็นออืชุดของพยาศาสตร์นี้ก็ทั้งหมดห้าสิบห้าองค์นะรวมทั้งพยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ชุดพระพุทธเจ้าอีกหกนะก็คือพระพุทธเจ้าและปัญจวัคียอีกหกอีกห้าก็รวมเป็นหก็รวมทั้งหมดก็เป็นหกสิบเอดรูปพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอ ส่งพระหกสเ็ดรูปนี้ให้เดินทางไปเผยแผ่พรษษะศาสนาทั่วประเทศเลยนะแต่ให้ไปทางละหนึ่งองค์ซึ่งพระพุทธองค์ก็จะเดินทางไปอุลุลเวละในนานนคมด้วยองค์เดียวเหมือนกันนะอันนี้เราจะเห็นว่าที่สามารถที่จะบรรลุทำได้มากมายนี้นะก็เกิดจากการที่ทรงแสดงนุปพิกถาและเรียสัตว์สีนะ่นะเราจะแสดงให้ชุดนี้แล้วก็มีแสดงให้ชุดอื่นๆฟังอีก เป็นจุบนนนมากแล้วก็บรรลุธรรมกับเป็นแถวเพราะนั้นแสดงว่ า, ารูุปุพิกถาและเรื่องสัตว์สีนี่เป็นธรรมที่สําคัญมากนะฟังแล้วก็บรรลุธรรมเล ย, ยง่ายๆครั้นี้เนี่ยรูปปุพิคคาถานี่มีอะไรบ้างนะก็มีฐานลกถาศีลกถาสักขะคาถาอากามาทีนวะกถาเนคขมานิสังสกักคาถา ก็เริ่มด้วยการให้ทานก่อนนะให้เมือให้ทานนกถาก็คือต้องเป็นผู้ที่ให้ทานก่อนนะเพราะการให้ทานนี้นะเป็นเหตุให้ละะความโลภนะเป็นผู้ที่ไม่ตหนีทีเหนียวเป็นการละกิเลสได้ในระดับหนึ่งแล้วนะซึ่งเป็นกิเลสที่ละได้ง่ายๆด้วยะถ้าเราให้ทานได้ถูกต้องครันนี้การให้ทานนี้ก็ต้องประกอบด้วยสาม อ่าสามประการนะที่จะทําให้ทานนะบรรลุผลได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประการแรกนั้นทานจะต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะวัตถุทานสิ่งของนั้นต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะไม่ใช่ไปลักขโมยมาไปโคดโกงมาต่างๆนาๆน า, น, านี้เป็นของที่ไม่บริสุทธิ์ประการที่สองเนี่ยขณะให้นะก่อนให้เนี่ยก็จะต้องมอีความตั้งใจ ขณะให้ก็มีความเต็มใจหลังจากให้แล้วก็มีความดีใจนะก็คือไม่เสียดายในสิ่งของเรานั้นถ้ามีมีความตั้งใจเช่นนี้แล้วเนี่ยก็เป็นบุญนั้นก็จะได้เต็มนะเป็นอันดับที่สองแต่ถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีความเต็มใจในขณะทำโดนคนบังคับให้ทำต่างๆเนี่ยบุญก็ได้น้อยลงนะเพราะว่าความตั้งใจเนี่ยเป็นประการที่สาคัญ ประการนี้สามภูที่รับนั้นนะก็เป็นความบริสุทธิ์ของแต่ละคนที่รับนะถ้ามีความบริสุทธิ์น้อยจนถึงบริสุทธิ์มากบุญก็จะได้ไปตามลําดับความบริสุทธิ์เหล่านั้นนะยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งจะได้บุญเยอะนะเขเรียกว่าปฏิคขาบุนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหน้าบุญที่จะรับนะเพราะนั้นเมื่อประกอบด้วยสามประการนี้แล้วเนี่ยบุญจากฐานหนึ่งก็จะได้เต็มที่นะเพราะนั้นการทําทานที่ถูกต้องก็เป็น ก็คือเป็นการละความตันเหนีออกจากในใจของเรานั่นเองนะละความโลภนะไม่ให้ทําแล้วทําให้เกิดความโลภขึ้นมาอีกนะบางคนอให้ทานให้ทานตรงนี้แต่ไปหวังไปปรารถนาอาในสิ่งต่างๆปรารถนาทรัพย์บ้างปรารถนาสวรรค์ บ, บ้างปรารถนาความสุขต่างๆบ้างอันนี้เขาเรียกว่าบุญก็ไม่ได้เต็มที่นะเพราะว่าในขณะที่เราทํานั้นเราก็ได้บุญอยู่แล้วนะ แต่พอไปปรารถนาปั๊บวันนี้เขาเรียกว่าเป็นอากุศลจิตนะเขาเรียกว่าเป็นโลภะเป็นตัญหาซึ่งเป็นอกุศลจิตเข้ามาเนี่ยบุญก็จะได้น้อยลงหรือจะไม่ได้เลยก็ได้นะเพราะนั้นใครที่ทําทานด้วยเจต น, นาที่ถูกต้องเชน่นนี้แล้วเนี่ยบุญก็จะได้เต็มนะเพราะงั้นการทําทานนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะั่นแล้วก็เป็นสิ่งที่ท ำ, ทำในง่ายด้วยแล้วก็เป็นการละความโลภอย่างในใจเรานะ ลองสังเกตดูคนที่ให้ทานบ่อยๆต่างๆลราเนี่ยเอจะเป็นผู้มีความสุขนะอย่างที่ว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้แล้วก็อทําให้ใจเนี่ยปล่อยวางนะปล่อยวางสิ่งต่างได้ง่ายด้วยเพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกั น, นการให้ทานนี้นะจึงเป็นสิ่งที่น่าทําเป็นอย่างยิ่งนะ เลยอย่างหนึ่งเมื่อเราให้ทานบ่อยๆแล้วเราก็อยากไม่อยากที่จะไปโกงใครนะไม่อยากไปลักขโมยใครไม่อยากที่จะไปอ่าโกงใครมาเพราะขณะเราให้ก็ยังให้ได้มากมายแล้วจะไปโกงใครมาําไมานะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้จิตของเราเนี่ยค่อยๆผ่องใสบริสุทธิ์ในตัวนะเพราะนั้นบางทีการให้ทานนี่เป็นเหตุให้ถึงปณิพนัชได้ไม่ยากนะเพราะจิตมันจะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางการยึดติดไปเรื่อยๆเป็นการละคายจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไปได้เองนะ ในสุนตมหาตัวเรามก็ไม่ต้องมีอะไรนะอย่างเช่นภาพมหากัสปะเนี่ยตอนที่ท่านออกบวชนะปรากฏว่าท่านมีทรัพย์สินสมบัติมากมายเลยพร้อมกับภรรยานะขณะที่ท่านออกบวชท่านก็สละทุกอย่างนะเรียกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงชาวบ้านชาวน้ำมารับสิ่งต่างๆซึ่งเป็นทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลท่านแจกหมดเลยไม่เหลือแม้แต่สตางค์เดียวนะเป็นทั้งหมด หรืในยุคหลังๆก็มีหลวงปู่พรมจิรปัญโยนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ในสายหลวงปู่มัน่นะเป็นครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มัน่นตอนที่ท่านจะบวชท่านก็สละสิ่งของทั้งหมดเหมือนกันนะแจกจ่ายไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วท่านก็ออกบวชนะเป็นการสละอย่างแท้จริงนะไม่ต้องมีอะไรนะเพราะหลวงปู่ดูลย์ยงบอกว่าความเป็นพระนั้นยิ่งจนยิ่งมีความสุขนะไม่ต้องมีอะไรจิ่งมีความสุข แต่ถ้ามีข้าวของเงินทองเยอะออขนาดนี้เราเป็นพระแล้วแต่ยังมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะเลยทั้งที่บ้านและส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขในท้ายจริงเพราะว่าเป็นปริพเทศนะเป็นความกังวลเป็นความวิตกเป็นความตัดไม่ขาดนะตรงนี้มันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้ด้วยใจที่มันหมดจากความยึดมั่นจริ ง, รงๆพราะในสมัยพุทธ ก, กาลนั้นพระพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติไว้ว่าภิกษุ ไม่ให้รับเงินรับทองไม่ยินดีในาเงินทองที่คนเ้าเก็บไม่ให้เรานะเป็นการสละทั้งหมดเพื่อที่ให้ใจเราจนะไม่มีปเรโโปรในตรงนี้และไม่ใช่เป็นการสะสมก้อนกิเลสนะบางคนเนี่ยกอดบวชไม่มีไรแต่บวชไปเรื่อยๆปรากัวทรัพย์สินเงินทองนี้มากกว่าเก่านะเออมากกว่าเก่าเยอะๆก็เลยเกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมาก็ทําให้อยู่ในสัมมาทินาเพศไม่ได้ก็มีนะเพราะว่ามันเห็นแล้วว่าเออ มันมีเงินทองเยอะมันก็เป็นเครื่องทําให้เราสามารถที่จะหาความสุขจากเงินทองเหล่านั้นได้นะในสุดก็อยู่ไม่ได้กอ็อกไปนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าเราตั้งใจตรงนี้ไม่ถูกเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้มาก็คือเราสละไปบริจาคไปนั่นแหละกิเลสมันจะลด น, น้อยลงในตรงนี้นะจิตเราจะได้ถึงความบริสุดธหมดจดได้ง่ายขึ้นคราวนี้ประการต่อมาก็คือศีลและกระถา ศีลนี่ก็คือความเป็นปกตินั่นเองนะความปกติทางกายทางวาททางวาจาทางใจเ <c oughs> พราะนั้นผู้ใดที่มีศีลเนี่ยจะเป็นผู้ที่ปกติแต่ผู้ใดที่ไม่มีศีล น, นะก็จะเป็นผู้ไม่ปกตินะไม่ว่าจะผิดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ปกติทางนั้นนะเพราะว่าสังคมเป็นแบบนั้นเองนะสังคมนี่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาควบคุมกันเองได้อยู่แล้วนะความที่มีกฎหมายต่างๆก็เพื่อจะควบคุมให้สังคมเป็นปกตินั่นเองนะ เพราะนั้นผู้ใดที่ทำผิดสี่ก็คือทำให้สังคมไม่ปกติเมื่อความไม่ปกติเกิดขึ้นก็เป็นที่ลังเกตของสังคมก็อยู่ในสังคมไในไม่ได้นะในสมัยก่อนเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยจะมีการติดต่อรู้กันหมดว่าใครทำอะไรเอใครเป็นคนมีความประพฤติอย่างไรนะเพราะฉะนั้นใครที่ทำผิดสี่ในหมู่บ้านนั้นนะก็จะมีการรู้ทั้งหมู่บ้านเลยก็จะอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ก็ต้องออกไปนะอันนี้คือความเป็นปกติของหมู่บ้าน เพราะนั้นผู้ใดที่สามารถที่จะมีเสียงก็เป็นความปกติซึ่งคนอื่นเขาจะยอมรับเราและการมีเสีย น, นี่ก็เป็นเหตุให้กิเลสเราลดลงนะกิเลสจะลดลงได้ก็เกิดจากการรักษาเสียงนี่แหละใจก็จะค่อยๆเบาสบายไปเรื่อยๆนะไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจยิ่งเสีลที่ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะเียงแปดสียงสิบสียงสองรอยยี่สิบเจ็ดเนี่ยจะทําให้จิตมีความเบาความละเอียดความละคายความยึดมั่นไปเรื่อยๆ ก็คือในทรงของศีนนั่นเองเพราะนั้นเมื่อมาเป็นนักบวชแล้วนะศีนก็คือประการแรกที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ประพือไปบัตินตามนั้นนะเพื่อความงดงามนะในเพจของสำนักของเราในความนัก บ, บวชทุกททุกท่านทุกประการนะต่อมานะก็คือสักคกถาสักคะกถา <c oughs> ก็คือสวรรค์นั่นเองนะเพราะในสมัยสมัยสมัยก่อนอินเดียเนี่ย จะมีความหวังที่จะขึ้นสวรรค์กันเยอะมีความหวังที่จะขึ้นสวรรค์กันไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้านะไปเป็นเทพเป็นเทวดาไปเป็นพรหมอยู่กับอพระพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์กันนะเพราะงั้นการให้ทานรักษาศีลก็ดีก็เป็นเหตุให้ขึ้นสวรรค์เนี่ยเขาก็เลยอยากจะขึ้นสวรรค์กันนะพระผู้เปเจ้าก็ไม่ได้ไปห้ามเขานะแต่ก็ทรงแสดงถึง อ่าสวรรค์วัดเมื่อให้ทานรักษาศีลแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์กันแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นได้นะใครให้ทานรักษาศีลก็ไปขึ้นสวรรค์เป็นเทพเทวดาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วอคำว่าสวรรค์ก็คือการ ม, มาผจรนะก็คื อ, อติดข้องอยู่ในกามนั่นเองนะความที่เราติดเข้าในกามก็คือเราต้องการมีความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ต, ต่างๆ่อ่า ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากการกระทบในอญญายนณะทั้งหกนั่นเองนะเป็นความสุขที่ใครๆก็ต้องการนะ น, นี่ก็เปรียบเกิดเหมือนกับกสวรรค์ในโลกมนุษย์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอั น, นี้ไม่ต้องไปหวังว่าจะต้องไปขึ้นสวรรค์หรอกนะแต่ว่าคนที่ให้ทานรักษาศีลส่วนหนึ่งก็มีความบางที่ตรงนี้ว่าเออเมื่อเขาให้ทานรักษาศีลแล้วเนี่ยเขาจะได้ความสุขในโลกมนุษย์นี้ส่วนหนึ่งด้วยนะมีความคล่องติดอยู่ในกามต่างๆเนี่ย ทำให้เขาจะได้มีความสุขในโลกนี้และโลกหน้านี่คือความปรารถนาของผู้ที่ทำบุญทำทานทั้งหลายแหละอันนี้นะหลังนี้นก็ส่งแสดงข้อต่อมาก็คือการมาถินวะก็คือการให้เห็นโทษในกามทั้งหลายคราวนี้เมื่อพระเจ้าได้ทรงแสดงถึงกามแล้วเนี่ยมีความสุขอย่างไรก็ส่งแสดงถึงเรื่องโทษ ด, ด้วยโทษของกามนะ อย่างเช่นสวรรค์เป็นต้นเนี่ยสวรรค์มันก็ไม่เที่ยงนะคนที่ไปขึ้นสวรรค์เนี่ยเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมมันก็ไม่เที่ยงในที่สุดก็กลับลงมาเกิดใหม่นะเป็นกําเนิดต่างๆไม่รู้ว่า ไ, ไปเกิดกันอะไรอาจจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะอไปเกิดเป็นสัตว์ในฉาบไปอสุลกายสัตว์นโกก็ได้นะเนี่ยตรงประเด็นนี้นะจึงเป็นที่ว่าเคนที่ปรรนาขึ้นสวรรค์แล้วเขได้ยินอย่างนี้ทุกๆก็จะได้ละคลายความยึดติดที่อยากขึ้นสวรรค์กันะ อย่างเช่นในสมัยพลิกการนั้นอ่ะเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตัสรุปใหม่ใหม่ก็ทรงระลึกว่าผู้ใดที่จะรับฟังธรรมของพระองค์เป็นคนแรกที่จะสามารถบรรลุธรรมได้เร็วก็ระลึกไปถึงอาราและดาบทและอุทกดาบทซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ที่เปี่ยมพร้อมแล้วเมื่อเราฟังเพียงเล็กน้อยก็จะบรรลุธรรมได้แต่ก็ทรงทราบโดยพยายนว่าขณะนี้ทั้งสองท่านนั้นได้ถึงแก่บรรณกรรมไปแล้วทรงอุทานว่าชิบหายเซะแล้วนะทำไมจึงอุทัดอุทานเช่นนั้นก็เพราะว่า ทั้งสองท่านนี้ได้บรรลุถึงอรูปฌานในระดับสูงนะก็ไม่ เ, เกิดอยู่ในรูปภพซึ่งมีอายุยืนยาวมากนะเมื่แต่พระเจ้าจะมาตัดสู้อีกหลายๆองค์ก็ไม่มีกาตที่ได้ฟังธรรมจนบนรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยคือความชิ้หายซะแล้วนะแล้วเมื่อหมดอายุไขในขณะนั้นเมื่อกลับลงมาเกิดใหม่ก็ต้องไม่เกิดในภพภูมิที่ต่ํากว่านะอาจจะต่ำกว่ามนุษย์ก็ได้เนี่ยจึงเป็นความจิบหายซะแล้วนะเพราะงั้นการที่อยู่ในสวรรค์ก็ดีนะอยู่ในภพอรโลกก็ดีไม่ใช่หทนทางแห่งการผ ล, ลุกเลยนะอ มัเป็นหนทางที่มันไม่เที่ยงเป็นความทุกข์นะเป็นกามาผจรเนี่ยไม่ใช่หนทางแห่งความทุกข์ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงความยึดติดในทางกามในทางโลกนี้กามารวมในทางโลกนี้คือความสุขในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปกระทบผรรษาต่างๆและเกิดความยินดียินไายนั้นนะมันก็ไม่เที่ยงอย่างเดียวกันนะให้เราอยู่มีความสุขในพระราชวางังกับบุตรภรรยา ที่อุดมสมบูรณ์ขนาดไหนมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีนะไม่เที่ยงในตัวเขาและตัวเราและสรรพสิ่งเพราะทุกอย่างนั้นมีได้ความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะมีได้ความอพัดพลาดหยากกันนะสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมาตรงนี้แล้วเนี่ยก็เป็นการละคายนะจากการยึดติดนะของผู้ที่รับฟังว่าเออเมื่อปัญนาสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่เที่ยงมันก็คือความทุกข์นั่นเองก็จะได้ละคาย จะได้เห็นโทษในกามทั้งหลายนะเมื่อเห็นโทษในกามแล้วทําอย่างไรต่อไปนะก็ได้ทรงแสดงเนื้อขำมานิสังสักถานะก็คือการออกจากกามนะการออกจากกามนี่ก็มีการออกบวชนะการออกบวชเลยอย่างหนึ่งเมื่อออกบวชไม่ได้ก็เป็นการออกจากกามในทางใจนะัก็คื อ, อตั้งใจเอาไว้ในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ในการที่จ ะ, จนะจะสแสวงหาความพุนทุก์ที่แท้จริงในการที่จะรับ สัจธรรมหรืออริยสัจสี่เป็นหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะเมื่อทรงแสดงอนุปปพิคถาจนจบทั้งห้าข้อนี้แล้วเนี่ยก็คือทานศีล ส, สวรรค์การเห็นโทษในกรมและันสนงแห่งการออกบวช <c oughs> หรือในสงแห่งการออกจากกรมนี้แล้วเนี่ยผู้ที่รับฟังก็เหมือนกับถูกชำระสิ่งที่เปื้อนอยู่ในใจนเหมือนกับผ้าที่สกปกนะ มีรอยเปื้อรอยเปื้อนสิ่งต่างๆมากมายนะก็ได้ถูกซักถูกล้างจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วเป็นผ้าขาวอีกครั้งหนึ่งพอไร่จะเป็นผ้าขาวแล้วเนี่ยพระง พ, พรงคได้ท ร, ร ง, สงแสดงอริยสัจสีนะซึ่งเป็นหนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อเป็นผ้าขาวแล้วก็สามารถที่จะนํามาย้อมสีได้ติดฉันใดนะ จิตคนเรานะเมื่อมีความผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วเมื่อทรงแสดงอริยสัจสีแล้วเนี่ยจิตคนเราก็สามารถที่จะรับจะฟังได้ง่ายขึ้นมีศรัทธ า, า, นะาในการฟังนะเกิดปัญญาในการฟังนั้นก็บรรลุปเป็นพระอริยเจ้า ก, กันอย่างมากมายนะี่ยอริยสัจสีนี่มีอะไรบ้างนะก็มีทุกขเนะี่ยทุกเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ทันนะสมุทัยนะก็คือเหตุแห่งความเกิดทุกเป็นสิ่งที่จะต้องละ สมุทัยนี้มีเพียงสามอาการเท่านั้นนะก็คือตัณหาการมาตัณหาและวิภวตัณหาเท่านั้นเองนะสิ่งต่างไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงก็เกิดจากตัณหาทั้งสิ้นนะเพราะตัณหานี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องละไม่ต้องไปละที่ทุกข์นะแต่ให้ละที่ตัณหาแทนนี่โลดก็คือการดับทุกข์นะมรคนะมร ก, ก็คือมรมีองค์แปดนั่นเองมรมีองค์แปดนั้นนะเป็นหนทางที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะก็คือ สัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปมีความคิดชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันโตมีอาชีพชอบสัมมาสัมมากัมมันโตมีการงานชอบสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบสัมมาสติมีความระลึกชอบสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นชอบนะถ้านพุท ด, ดิปฏิบัติในหนทางมิมักมีองศาแล้วเนี่ยก็จะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง มัคเมียงแปดก็คือสรุปแรกก็คือศีลสติสมาธิปัญญานั่นเองนะโดยการที่ทรงแสดงอนุปุปพิกถาและอริยสัจสีเนี่ก็เป็นเหตุให้ผู้ที่เราฟังนะั้นบรรลุธรรมสำเร็จยอย่างน้อยก็ขั้นโสดาบันจนถึงพาาระอรหันต์เป็นจำนวนมากนะอันนี้นะก็คือหนทางนะที่เราจะสังเกตว่าเออ ในสมัยก่อนนี้เขาทาอย่างไรกันนะเพื่อเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตามนะในขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงแสดงมาแล้วกนะมีทานมีศีลน ะ, ะมีการที่จะเห็นโทษของกรรมทั้งหลายนะการเห็นโทษของกรรมนี้นะเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นจึงมองเห็นนะเพราะถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็จะมองไม่เห็นหรอกเหมือนครั้งหนึ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงดูโลกนี้เปรียบเสมือนราชรอวิจิต อันคนเขลาหมกอยู่ส่วนผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เนะพราะโลกนี้นะ ม, มีมีแต่ความสุขความสนุกความสบายความสะดวกมีสิ่งที่ยัวย่วยวนยัวย่วเย้าให้เราติดอยู่มากมายนะมีความสุขต่างๆเพลิดเพลินยิ่งทุกวันนี้เพลิดเพลินมากเลยนะไม่ต้องออกนอกบ้านนะมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็เหมือนกับเที่ยวได้ทั่วโลกรู้สิ่งต่างทั้งหมดนะดูหนังฟังเพลงก็จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะมันให้ความเพลิดเพลินมากเพรา ะ, ะนักคนก็เลยไปติดอยู่ข้องอยู่ในโลกกัน อย่างมหาศาลนะไม่มีความคิดที่จะออกจากกามเลยนะอหรือคนที่มีความคิดก็มีน้อยมากนะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือประเด็นสําคัญที่ว่าเราตรงนี้ไหมเราเห็นตรงนี้ไหมว่ากามทั้งหลายเนี่ยมันมีมีความทุกข์อยู่นะะตรงนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่ากามมีความทุกข์แล้วเราจะไปติดข้องอยู่ทําไมนะเพราะคนส่วนมากที่เป็นคนเขาเขาก็หมกอยู่เขาก็ข้องอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้ว แล้วเขาก็หารู้ไม่ว่าจากการที่เราคล้องเราติดอยู่นะ่ะมันเป็นภพเป็นชาติเป็นอ่ที่จะนำเราไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัตถงสารไม่มีที่สิ้นที่สุดนะภพชาติมันยาวเหยียดมากทีเดียวนะแล้วทําไมเราไม่คิดว่าใช้เวลาในชาตินี้ซึ่งเป็นซึ่งเป็นช่วงที่สั้นอนะหรือเป็นนาทีทองที่เราได้เกิดปเป็นมนุษย์มีอาถรภาพเป็นมนุษย์ซึ่งหาโอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์นี้ได้ยากยิ่งนะได้ยากยิ่งเลยนะยิ่งวังงมเข็มในมหาสมุทรถึงหน้าการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ เอาเวลาตรงนี้นั่นแหละละทิ้งความสุขอันเล็กน้อยเพื่อเข้ามาหาสแสวงความสุขอันไพ่บูรณนะ์ตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากนะอย่าไปติดนะอย่าไปยึดนะอย่าไปเห็นกต่ความสุขที่เล็กน้อยในรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านั้นแต่กลับมาเพื่อที่จะสแสวงหาความสุขอันไพ่บูรณนะ์ความสุขอันไพ่บูรณ์ก็คือความพ้นทุกข์หรือพรนิพพานนั่นเองนะนะเราจะได้ออกจากสังสารวัตนนี้สักครั้งหนึ่ง สักทีหนึ่งนะเพราะพวกเราก็วนเวียนมานานแล้วนะมันไม่มีประโยชน์อเลยที่จะไปอยู่กับสิ่งที่เป็นความสุขเล็กๆ น, น้อยๆเหล่านั้นนะเรามาหาสแสวงหาความสุขอันภัยบุญดีกว่าเพราะชีวิตเราจริงๆแล้วมันเนินเหลือน้อยมากนะไม่ใช่ว่าเราจะยืนยาวสักเท่าไหร่หรอกทุกๆนาทีมันก็แก่ไปเรื่อยๆนะมันก็เดินเข้าหาความตายไปเรื่อยๆซึ่งเราหนีไม่พ้นนะจะอยู่ในถ้าในป่าในเขาในที่ คุ้มกันนั่นขนาดไหนเราก็ไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นจากความเจ็บความแก่ความตายไปได้เพราะฉนั้นสิ่งเราต้องแสวงหาในชาตินี้คืออะไรก็คือความพ้นทุกข์ที่ทาวรที่แท้จริงซึ่งเป็นอมตะให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่นี่แหละจึงจะได้ชื่อว่าเราได้ใช้ชีวิตในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ใช้นาทีทองได้อย่างแท้จริงได้อย่างถูกต้องและเห็นคุณค่าประโยชน์แห่งการเกิดเป็นมนุษย์ในชาติปีบันนี้ จริงขอทุกท่านถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้ทุกท่กทานเถิน